วันนี้เป็นวันที่25เข้าพรรสามา8วันท่านนายอำเภอกับคณะหัวหน้าสวนราชการพี่น้องประชาชนชาวอำเภอนายูงได้พร้อมกันจัดการทำบุญตามวัดต่างๆวันนี้เป็นวันแรกที่มาวัดของหลวงพ่อแล้วก็ต่อไปก็คงจะไปตามวัดต่างๆในเขตอำเภอนายูงหลวงพ่อว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หาได้ยาก พรอเหตุไรเพราะว่าการส่องแสวงหาทรัพย์ภายนอกมาเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายก็คือปัจจัยสี่ข้าวน้ําโภชนาอาหารที่อยู่อาศัยยาแก่โรคภัยไข้เจ็บอันนั้นว่าปัจจัยสี่นำมาเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายแต่เข้ามาสู่วัดวาศาสนามาพิจารณาถึงการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อจิตวิญญาณอันนี้เป็น การสั่งสมพลังเข้าสู่จิตใจอันนี้เป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งไม่แพ้กันถ้าคนขาดกําลังใจหมดกําลังใจถึงจะมั่งมีสีสุขขนาดไหนร่างกายจะสมบูรณ์ขนาดไหนก็หาความสงบหาความผาสุขไม่ได้ในคนคนนั้นเพราะขาดกําลังใจเพราะนั้นเรื่องกําลังใจเราจะหาได้จากที่ไหนถ้าหาว่าตัวเองไม่สศกแสวงหาตัวเอง และกรพร้อมกันกันนะ่วันนี้ะที่พวกเราได้มาสู่วัดวาศาสนาเพื่อหากุศลเข้าสู่กำลังใจเพื่อเป็นพลังนะเป็นกำลังทางด้านจิตใจเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นวันนี่เป็นวันสาคัญของศรัทธาญาติโยมพี่น้องชาวอำเภอนายูง ม, มีท่านนายอำเภอเป็นประธานที่มาในวันนี้นะแอต่อนี้ไปคณะศรัทธาญาติโยมได้รัฐนาริน วันนี้เป็นวันพระก็มีผู้สมาทานสินทั้งสิน8และสินห้าหลวงพ่อจะให้ทั้งสองสินคือสินห้าและสิน8ปดสำหรับสิน8กับผู้ที่ท่านสมาทานเป็นประจำอยู่แล้วในพรรษาคือท่านตั้งจัดจะอธิษฐานว่าจะรักษาอุโบสถตลอดไตรมาสสมเดือน8ดคำส5บ้าคำรวมแล้วก็ 3, 4, มี่สองเพียง12วัน คณะสัตยาญาณโยมที่มาในวันนี้ก็หลวงพ่อวันหน้าจะสมาทานศีลห้าให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตลอดทั้งวันดีไหมเฉพาะวันนี้นะเพราะว่าทั้งทีชีวิตเราก็ห่างเหินจากวัดพอสมควรแต่วันนี้เราควรจะรักษาศีลในตัวของเราเป็นเครื่องประดับจิตใจของเราให้มีพลังนะศีลห้าประการเราอย่าไปมองข้ามศีลกฎหมาย กฎระเบียบการอยู่ร่วมกันมนุษย์ชาติที่อยู่ร่วมกันด้วยความสงบพร่อมเย็นเป็นจุกได้ต้องเป็นผู้มีศินถ้าขาดศินถ้าขาดกฎหมายคุ้มครองก็ไม่แพ้สัตว์ป่าฮะสัตว์ป่าคืออะไรตัวไหนมีกําลังก็ลังแกลสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยบางทีเผลอก็กินสัตว์อื่นเผลอๆกินหมูเดียวกันอีกต่างหากเพราะเหตุใดเพราะตัวไหนร้อยกว่าตัวนั้นก็เป็นเบี้ยล่างของตัวที่มีกําลังกว่า อันนั้นแปลว่าการอยู่แบบสัตว์ป่าแต่มนุษย์ของเราที่ได้รับการศึกษาดีแล้วก็มีควรจะเป็นอย่างนั้นจึงมีกฎระเบียบขึ้นมาถ้าหากว่าผู้ใดน้อยอ่อนด้ยอยก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองอย่างเพศหญิงอย่างเนี้ยจะสู้กับฝ่ายชายไม่ได้กฎหมายก็ต้องคุ้มครองถ้าใครไปรังแกอย่างนี้ต้องโทษหนักอย่างนี้ถึงโทษขั้นประหารอย่างนี้ อันนี้ก็คือกฎหมายคนที่จะอยู่ด้วยกันได้ต้องมีกฎหมายคุ้มคองถ้าหากว่าใครก็ตามอยู่อย่างเสรีไม่มีขอบเขตเหมือนกับสัตว์ไม่มีคอกอย่างนั้นไม่มีอันไหนคุ้มคองไม่มีคอกไม่มีกฎเกณฑ์ใครจะทำอะไรก็ทำอันนี้ก็เหมือนการสินของพระพุทธเจา้าสินของพระพุทธเจา้าถ้าเราศึกษาให้ดีไม่ใช่สินของพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้น ศินห้าประการมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกศินห้าคือศินประจําโลกก่อนฤาษีสีพรยก่อนหน้านั้นถ้าเราศึกษาให้ดีแล้วศินห้าเนี่ยคือศินก่อนที่พระพุทธเจ้าตัดสู้แต่เมื่อพระพุทธเจ้าตัดสู้แล้วพระพุทธองค์ก็ว่าศินห้าเนี่ยมีคุณค่ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนต่อโลกท่านยังได้บัญญัติศินห้าขึ้นมาอีกคือให้คุ้มครองไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติศิน เฉพาะพระพุทธเจ้าเองก่อนหน้านั้นก็มีถ้าเราศึกษาในชาดกต่างๆจะรู้ได้ว่าศีลห้าเนี่ยเป็นศีลที่คุ้มครองโลกให้โลกทั้งโลกได้รับความร่มเย็นเป็นสุขได้เพราะศีลจากนั้นมาเราก็ยังไม่มั่นใจเราก็บรรติกฎหมายขึ้นมาอีกเพื่อชุมชนและสังคมนั้นๆแต่ละประเทศเขาก็มีกฎหมายของเขาตึงบ้างแต่ขนาดรัฐอเมริกันอย่างนี้อเมริกาอย่างนี้แต่ละรัฐเขายังมีกฎหมายไม่เหมือนกันอีก ทั้งที่ประธานาธิบดีคนเดียวกันแต่กฎหมายแต่ละรัฐย่อย่อนกว่ากันไม่ต้องพูดถึงประเทศอื่นๆะฉะนั้นประเทศไทยของเราก็มีกฎหมายรัฐธรร ม, มนูญปกครองและกพร้อมกันก็มีศีลธรรมศีลธรรมในปกครองทางจิตใจศีลธรรมใน่ล้ายๆบอกคุ้มครองทั้งในที่มืดทั้งในที่แจ้งกฎหมายในะคุ้มครองในที่แจ้งทาไมจึงพูดอย่างนั้น เพราะว่ากฎหมายเนี่ยคุ้มครองถ้าคนไม่เห็นไปขโมยไปป้นไปจี้ไปฆ่าไปแกงไปอะไรเขาเนี่ยถ้าคนไม่เห็นก็เฉยเฉยไม่ผิดไม่เขาไม่จับเข้าคุกเพื่ออะไรเพราะไม่มีพยานใครไม่เห็นเอก็เหมือนก็ไม่ผิดแต่ความจริงมันผิดอยู่แล้วแต่เขาหาพยานหลักฐานที่จะเอามัดไม่ได้เพราะไม่มีใครเห็นนหาอะไรพิสูจน์ก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครรู้ ที่เอาพิสูจน์มาจับไม่ได้อันนั้นคือกฎหมายคุ้มครองได้แต่ในที่แจ้งส่วนศีลธรรมของพระพุทธเจา้าเนี่ยคุ้มครองทั้งที่แจ้งทั้งในที่ลับทําไมจะว่าในที่ลับศีลธรรมของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าบอกว่าความชั่วเนี่ยถึงคุณจะทําในหุบเขาไหนก็ตามในห้องหับไหนก็ตามในพื้นมหาสมุทรทะเลก็ตามอยู่ในที่ใด น, นก็ตามถ้าเป็นความชั่วแล้วชั่วทั้งนั้นเออเหมือนกับเราจับไฟเนี่ย ถึงคุณจะไปจับในท้องมหาสมุทรทะเลไม่มีใครเห็นไปจับคนเดียวก็ร้อนไปอยู่ในหุบผาป่าไม้จับก็ร้อนเพราะเหตุไรเพราะมันเป็นไฟพระพุทธเจ้าว่าความชั่วนั่นคือไฟคือไฟถ้าใครไปจับน่าสถานที่ใดร้อนทางนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนีว่ากรรมชั่วอย่าทำเสีเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นมันเดือดร้อนเผาผ่านเมื่อภายหลังเหมือนกับเราจับไฟนะพอจับเข้าไปเลยทีนี้ ต้องใช้ยาไม่รู้กี่ยามาโปใส่มันเหมือนกันเถอะมันร้อนเหมันมือพองเข้ามาแล้วต้องรักษาเพอเพ้อแขนขาดขาขาดาอีม้เพราะไฟลวกนี่แหละมันเดือดร้อนภายหลังเมื่อเราไปจับเมื่อเราไปทำก็ไปแล้วเพราะนั้นสิ่งชั่วอย่าทำจะเลยดีกว่าเพราะนั้นศีลละธรรมถ้าจะว่าไปแล้วศีลละธรรมเป็นเครื่องคุ้มของโลกถ้าพวกเราห่างเหินศีนลธรรมดูถูกศีลธรรมว่าศีลธรรม ไม่มีประโยชน์ต่อชุมชนสังคมนั่นแหละคนคนนั้นคนกลุ่มนั้นหละ่ะในอำเภอจังหวัดนั้นหละ่ะจะเดือดร้อนวุ่นวาย<ม>ผลของคนไม่มีสินก็จะมาหลังแกของตัวเองนั่นอาจจะมาฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกฆ่าเมียมาขโมยสิ่งของของเรามากระชากรากถูลูกเมียภรรยาของเรามาโกหกต้มตุนหลอกลวงพวกเรากินเหล้าออเมายาเข้ามาแล้วเอารถชนเฉียวคนนั้นคนนี้ เดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะหเหตุใดพราะคนขาดสินเนีเพราะฉะนั้นสินธรรมถ้าเราพิจารณาดูแล้วถ้าคนชุมชนใดถึงจะไม่มีศินบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็ให้ถือว่าศิลนั้นมีคุณค่ามีประโยชน์สําหรับชุมชนของเราให้ถือเอาไว้วืการฆ่าไม่เป็นพ้นดีถ้าฆ่าเขาเขามาฆ่าเราฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเราเราก็เดือดร้อนถ้าเราไปฆ่าเขาคิดไปฆ่าเขายับยั้งอารมณ์ไม่อยู่โมโหโทโโขึ้นมาไปฆ่าเขา แต่เมื่อเขาโมโหโถโซมาฆ่าเราละ่ะเรามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้เราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะทําสิ่งไหนลงไปอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งอธิ น, นาทานก็เหมือนกันถ้าเราขโมยของเขาคิดขโมยของเขาเขามาคิดขโมยของเราละเราก็เสียใจเขาก็เสียใจเช่นใดก่อนเพราะฉนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันสามีภรรยาของใครก็ตามลูกหลานของใครก็ตามเราต้องเคารพอย่าไปถือว่าของสนุกสนานถ้าเขามาคิดสนุกสนานกับเรา เรามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเราไปสนุกสนานกับเขาล่ะเออภรรยาของเขาล่ะลูกของเขาล่ะสามีของเขาล่ะเขามีความรู้สึกอย่างไงเขาเขาเสียความรู้สึกอย่างมากเพราะเขารักสังวชห่วงแหนตระกูลของเขาสามีภรรยาลูกหลานของเขาเพราะนั้นให้เคารพฉิตกันดีไหมออนี่ละศินคุมออ้มครองมุสาวาทาเว ร, รมนีการโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเขาเออเสียเงินคําทรัพย์สมบัติหลอกคนนั้นลวงคนนี้ โกหกคนนั้นโกหกคนนี้และเป็นยังไงถ้าเขามาให้ทําให้แกเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอย่าทํากันให้เคารพสิดซึ่งกันและกัน่ข้อที่หสุรามีระยะมชะประมาณ ก, การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราคิดดูกันแล้วกันคนเมาเล่าพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดทำในสิ่งที่ไม่ควรทํา เดินเป๋ซ้ายเป๋ขวาพวกเราดูแล้วน่าดูไหมถ้าพวกเราดื่มโซดาด้วยกันทุกคนมเมาล่อพูดเป็นคนละทิศ ท, ทางประเทศชาติบ้านเมืองคนในชุมชนนั้นจะเป็นอย่างไรถ้าหากว่าเราดื่มโซดาไปขาดสติแล้วคนทั้งหลายก็นั่นแหละให้อภัยเพราะมันเมาแต่ตามไม่จริงให้อภัยบ่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกันแล้วคนอื่นละ่ะถ้ามันเป็นอย่างนั้นละ่ะอเรามีความรู้สึกยังไงพ่อบ้านเมาแม่บ้านและลูกๆ ก, ก็ให้อภัยแต่พอแม่บ้านเมาแล้ว พ่อบ้านมีความคิดอย่างไรถ้าลูกเมาขึ้นมาล่ะอารวาสในครอบครัวพ่อบ้านมีความคิดอย่างไรแต่ถ้าว่าคนมีความคิดที่ดีอคนอื่นเมาในครอบครัวของเราเรารู้สึกว่าไม่สบายใจเอถ้าคนมีตระกูลนะคนมีตระกูลเรียว่าคนมีมารยาทที่ดีมีชุมชนมีสังคมเบนเสียจากครอบครัวนั้นไม่มีสังคมอยู่แบบไม่มีสังคมไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วไม่รู้จักสิ่งควรไม่ควรมันเหมือนเหมือนกันทั้งหมดออันนั้น มันก็แยกแยะไม่ออกแต่ถ้าหากว่าคนที่มีสังคมเนีพ่อเมาเป็นยังไงแม่เมาไปยังไงลูกเมาไปยังไงในครอบครัวต่างคนก็ต่างไม่สบายใจทั้งหมดคนที่ไม่เมานะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องคิดนะเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองอยากจะขอร้องศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่มาในวันนี้ในพรรษานี้ก็ไม่สายเกินไปเข้าพรรษาเพียงแปดวันเท่านั้นเองอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายงดบุหรี่ได้ไหมงดเหล้าได้ไหมในพรรษานี้นะ เ, เมื่อตัง้งจิตอธิษฐานต่อพระประธานของหลวงพ่อเนี่ยพระพุทธอุดมมงคลเนี่ยเข้าไปเจ้าจะงดบุหรี่จะงดเล่าจะงดการพนันทั้งหมดในวันนี้เนี่ยหลวงพ่อว่าถ้าคิดได้อย่างนั้นก็จะเป็นชริเป็นมงคลสําหรับพวกเราเพราะศีลห้าเนี่ยไม่ใช่มีแฉพาะพระพุทธศาสนาเท่านั้นก่อนพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในโลกก่อนพระพุทธเจ้าเกิดในโลกมีศีลห้ามีมาแล้ว เราศึกษาในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าสวยพระชาติเป็นพระเวทสันดอนพระองค์ก็รักษาศีลแปดสมัยนั้นแล้วก่อนหน้านี้ก็มีมากมายที่พวกเราได้ศึกษาเป็นอันว่าศีลห้าเป็นศีลคุ้มครองโลกทำให้โลกร่มเย็นเป็นสุขได้ถ้ามีศีลห้าที่มีศีลธรรมในยุคสมัยนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้พวกเรารู้คุณค่าของศีลห้าประการพอสังเกต